ตางคนก็ต่างมามีจิตระครจำเป็นบางอย่างที่มาวัดนี้บางคนมาก็เปบางคนก็มีความสุขใจก็มาวัดบางคนก็มีความทุกข์ใจก็มาวัดเป็นประเพณีของชาวคนไทยเราถึงแม้จะจนก็นึกถึงการทำบุญถึงแม้จะรวย ก็นึกถึงการทำบุญอะไรอะไรทุกอย่างก็ล้วนจะการทาบุญทางนัน้นนี้เป็นส่วนมากในส่วนจิตคนไทยเราทั้งหลายตอนนั้นวันนี้ยิ่งเป็นวันธรรมศรนะัตน์เจ็ดวันครั้งเจ็ดวันครั้งเป็นโอกาสของอุบาศกอุบาศิกาผู้ชายผู้หญิงผู้เข้าใครพุทธศาสนานั้น เป็นอันจที่สำคัญมากปกติแล้วก็คือพวกเราทั้งหลายนั้นเป็นผู้สังวรสังรวมประสาทินห้าประการเกือบตลอดทุกคนที่เคยมาวัดเป็นปกติศีลปกติกายปกติวาจาอันนี้คือศีลเช่นพื้นเคแต่ต้นเดิมมาทีเดียว ที่นี้สินแปดนี้เป็นสินพิเศษอันหนึ่งของพุทธบริษัททั้งหลายซึ่งเป็นฝ่ายอุบาสกอบาสิกาเพราะว่าวันนี้เป็นวันอุโบสถสินที่จะเพิ่มข้อปฏิบัติขึ้นอีกให้มันยิ่งขึ้นไปกว่าธรรมดาธรรมดานั้นก็เรียกว่าเป็นปกติเสมอมา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 วันวันธรรมด า, าแต่ก็เพิ่มข้อปฏิบัติขึ้นอีกหลายหลายอย่างเช่นแต่งเนื้อแต่งตัวสุดไวยห ร, หรือไม่นั่งนอนที่นิ่งที่นวนอันเป็นเหตุให้ใจของคนเราทั้งหลายเพิ่มเพิ่มไปในทางความคุณยั่วยวนเป็นต้น หลาประธานร้องเข้าเป็นอืสินโโสสธุโบสถสติตฉะนั้นวันนี้ปราริยท่านกล่าวว่าเป็นวันธุโบสถสถินธุโบสถสถิต น, นี้เป็นสินีพิเศษเป็นสิ น, นีีขรัวัดเป็นสิ น, นีตรุษวัดประหยัดอ่อนขึ้นไปเป็นวันธุโบสถพร้อมในการภาวนาเช่นเราไม่ทานข้าวเย็นไม่ทานอาหารเย็น มันก็หมดภาราไปการประฏิภศตังทุของพวกเราทั้งหลายนั้นมันก็น้อยลงน้อยลงต่อวัดปฏิบัติของพวกเรามันก็ดีขึ้นอันนี้เป็นศีลอันดิบแต่ว่าที่จะมีศีลยิ่งาง น, นั้นก็ต้อการประพฤติปฏิบัติไม่ใช่ว่าเป็นชื่อของโมเสสศีลแล้วมันจะเป็นศีลอย่ยิ่ง ไอ้สิ่งที่มันจะยิ่งนั้นก็คือการเราปฏิบัติให้มันยิ่งขึ้นให้มันดีขึ้นให้มันเป็นสื่อขึ้นไอ้ชื่อของสินนั้นจะเป็นสินห้ า, ราประามสินแปดปรามสิ้นอะไรอะไรก็ตามทั้งนั้นแนะ่ะอันนั้นเป็นชื่อของมันส่วนมันจะยิ่งยุยอนนั้นมันอยู่ ท, ที่การพวกเราทั้งหลายปฏิบัติให้มันเต่งขัดขึ้นให้มันดีขึ้น จะเป็นสิห้ามันพอดีจะเป็นสิ่งแปดมันพอดีจะเป็นโลโกโสดสิ่อะไรมันพอดีดังนั้นมันอยู่จีตการปฏิบัติไม่ใช่ว่าถึงโลโกโสดเราเรามาสัมพันธ์โลโกโสดแล้วอาการกายวาจาของเราก็ปฏิบัติย้อนอยู่อย่างเก่านั้นก็จะเห็นว่าเราเป็นบุญอันยิง่งเป็นบุญอันปเปิดเผยเราจะเป็นสิดอันยิง่งอันนั้นหาไม่ได้อย่างนั้น ฉะนั้นการสิงในที่มันจะยิ่งก็คือทําให้มันตึงขึ้นให้มันสูงขึ้นให้มันยิ่งขึ้นไม่ใช่เราทำให้มันสมมตตัวหรือทําให้มันหย่อนลงไปให้มันดีขึ้นไปกว่าเก่ารันาตนะกายรัตนว า, าจาของเรารัตนจิตของเรานี้ก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันฉะนั้นจงอควระะมีใจเข้มแข็งเพราะว่าเจ็ดวันมีที่งนีนะ การทําให้ศีลของเราเศ้าหมองการทํำให้การเจริญภาวนาของเราไม่ราบรื้นไม่สูงขึ้นก็เพราะการปฏิบัติมีการคุยกันการคุยกันการพูดกันเรื่องไม่เป็นสารประโยชน์อะไรเชื่อคํา่อเราเคทํากันว่าอยู่ขันแล้วก็ทํากันแบบหายคอจึงคอปูก้อ จะรด้ทกอย่างก็ควรเอาไปว่ามาถึงวัดก็ควรทิ้งมันอย่ามาลอกปอในวัดอย่ามาขายปอในวัดอย่ามาปลูกปอในวัดวันนี้ให้เลิกกิจการว่านทั้งหลายนั้นเพราะเราไม่มาาำงานจีนี้การค้าขายทุกจิงทุกะ ก, การเสมอกันไม่ควรเอามายุ่งในที่นี้เพราะในที่นี้เราพยายามทำจิตใจให้เป็นอารมณ์อันเดียว สมาธิคือทําอารมณ์ให้เป็นแอนียวคือทําจิตให้เป็นหนึ่งทําจิตให้เป็นแอนิโอคถ้าเรามาทําหลายอย่างมันยุ่ง ม, มันเอือไปหมดไม่รู้จักกับคนใหม่ไม่รู้จักจกับคนเก่าคนเก่าก็ทําอย่างนี้คนใหม่เข้ามาก็ไม่ได้อนิโฉงเพราะคนเก่าประจามอย่างนี้ก็ทําไปอย่างนี้เลยติด หูติดตากันไปเ ร, เรื่อยไม่รู้เรื่องกันว่าทาอะไรกันนี่ฉะนั้นการกระทำของเราทั้งหลายเป็นหมันเคยเราทำมาไหมเช่นสมัยก่อนพ่อแม่ปู่ย่าตา ย, ยายของเรานะ่ะการที่จะมาเดินมานะทำมาเข้ามาวัดมาภาวนาไม่รู้จักการภาวนาไม่รู้จัก ไม่รู้จักไม่เห็นเช่นช่ววันนี้ก็เหมือนกันตามที่อาตามาทั้งเกือนนี้แต่คนที่ภาวนากระเพื่อนเฉยๆประมาทเฉยๆไอตอนเช้าถระวัดจะนันพระนะควรเราจะมากราบพระมาไหว้พระนะมาสวดมนต์กระเพื่อนทั้งหลายนั้นที่เราไม่เคยจะทําไม่เคยกราบไม่เคยนบไม่เคยไหว้ เราต้องควรพยายามนาลูกนำหลานมากรามาไหว้เนี่ยมันจะดีนะบางคนอาจจะมาเออาจจะมาเคยนะไม่เคยเข้าวัดเป็นอะไรทำเลแค่มาวัดนั่งอยู่ข้างนอกนั่งที่การกันโนนันนี่กับลูกก็าล้ัไม่ดูเรื่องอันนี้ไม่ใช่เป็นคนเข้าวัดเข้าวัดเหมือนไก่ไก่ไม่ดูก่อนมันเข้าวัดมันก็ปลุกเอารูปเอาร้านมันเข้าวัดนี่นะ มาขีก่กินขี้หมูขี่ม้มาขนาดนี้นมันเดินมาหาอะไรอันนี้ก็มันกันฉันนั่นอันนี้คือเข้าวัดไมู่กเข้าวัดไม่ถูกเราไม่เคยกราบไม่เคยไหว้ไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ฟังก็เข้ามาลูกหลานได้กราบได้ไหว้ได้ยินได้ฟังเพื่อฝึกหัดดับฉันดานของตนในลูกหลานพี่น้องทุกคนเมื่อเข้ามาทําวัดสวดมนต์ก็เข้ามาเรียก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 ปลามันอยู่ในน้ำมันไม่เห็นน้ำไส้เดือนมันอยู่ในดินมันก็กินที่ดินแต่ว่ามันไม่เห็นดินเราทั้งหลายก็เบรรจงฉันนั้นเข้ามาวัดมรู้จักวัดเข้ามาวัดไม่ถึงวัดฉะนั้นปัญหาอันนี้มันจริงๆคือขึ้นแก่พวกเราทั้งหลายละลูกหลานทั้งหลายไม่ดูเรื่องอะไรนี่แม่ดูเรื่องอันนี้ เห็นว่าเข้ามาวัดมันเป็นบุญตรงส่วนหนึ่งของมนุษย์ทั้งหลายจะเข้ามาวัดเห็นพ่อแม่เข้ามาวัดก็ขเข้ามาจำตามกันมาเรื่อยเรื่อยคนที่สุดอายุสี่สิบปีห้าสิบปีน ะ, ะว่าพูดถึงธรรมะสังโมพูดถึงขอวัดปฏิบัติพูดถึงพระพุทธประจํรการสงฆ์ไม่รู้เรื่องไม่รู้อะไรเลยอันนี้เรียกว่าปลามันอยู่ในน้ำ มันก็แช่อยู่ในน้ําตามันก็เปิดเคลื่อนอยู่ไปน้ําแต่ว่ามันไม่เห็นน้ำไส้เดือนมันอยู่ในดินมันก็กินขี้ดินเป็นอาหารของมันแต่ว่ามันก็ไม่เห็นขี้ดินมันเห็นขี้ดินเป็นอย่างหนึ่นมันเห็นน้ําเป็นอย่างอื่นเช่นนั้นบุคคลที่เข้ามาวัดไม่เห็นวัดก็เหมือนกันกับปลาที่ไม่เห็นน้ําเหมือนใส้เดือนที่ไม่เห็นขี้ดิน ไม่รู้จักดินนั่นมิฉะนั้นเราอย่าว่าเลยคือการฟังธรรมแต่ขนาดนั้นเราก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรที่นี่ข้ออา่านขอธรรมนั้นเรว่างธรรมะธรรมะไม่รู้เรื่องบาอยู่ธรรมะเมื่อโตขึ้นมาใหญ่ขึ้นมาพระนอมรูปร้านเข้าไปสู่ที่พึ่งที่อาศัยอืมไม่รู้จักธรรมะ ไม่รู้จักปพฤติไม่รู้จักประทาไม่รู้จักประสงก็พาลูกพาล้านกาแฟกราบยอมตรวยอมตัวไปตามฝ่ายเออเห็นว่าที่นี่มันไม่เหมือนเพื่อนเขาเนี่ดินมันยาวขึ้นมามันพ้นขึ้นมาเห็นจะเป็นของศักดิ์สิทธิ์แต่มันกราบเนี่ยกาไปกราบก็กระบุญอะไรต่ออะไรอยากจะได้โชคลาบอะไรก็ว่ากันไอขี้ปลวกกันเลยไอความเป็นจริงมันบ้านของตัวกขี้ปลวก นับถือเท่นั้นขึ้นมาบางแห่งก็โดยมากปลวกจีนครับไอ้ปลวกมันขึ้นอยู่ในถุนบ้านมันเป็นจอมปลวกขึ้นมาถึงสูงดีใจยิ่งหากีบอนข้าไปคุมให้นะปลวกมันก็ยิ่งกินก็ไปหาหลอกวม้ไปบูชาครับปลวกมันก็ยิ่งทําบาตมันขึกหากีบอนข้าไปคุมให้มันก็ปลวกมันก็ยิ่งดีมันขึ้นใหญ่กินทุกวันทุกวัน ผลที่สุดตัวเจ้าของเองจะไม่มีที่อยู่บ้านมีแต่ของสกปิกยอยู่ในบ้านหมดทีเดียวเจ้าของไม่รู้ว่าจะไปอยู่ที่ไหนกันก็ไปกราบไปไหว้ยอยู่อย่างนั้นแล้ว อ, อันนี้แหละคือบ่าหลงลกที่สุดเลยหลงจนที่สุดซะแล้วนะอันนี้หละหาเหตุผลได้ยากไม่มีเหตุผลก็เราไม่รู้เรื่องว่าอะไรมันเป็นอะไรอะไรเป็นอะไรมันเกิดมาจากอะไร ก็เหมืนแต่คนที่เรามาดูจักทุกข์ไม่รู้จักทุกข์แล้วก็ไม่รูจักเหตุของทุกข์ไม่รู้จักเหตุของทุกข์ไม่รู้จักความหลักทุกข์ไม่รู้จักความหลักทุกข์ข้อก็ที่ว่าจะให้ถึงความหลักทุกข์กันก็ไม่รู้จักก็เกิดเป็นคนลหลงในพวกนี้ที่พวกมันหลงอยู่ไม่ว่าคนอยู่ข้างนอกนะไม่ว่าคนเข้าวัดคนไม่หลงนะ คนเข้าวัดยิ่งหลงมากกวมียิ่งมากยิ่งไม่รู้เรื่องอะไรต่ออะไรอาตมาเคยไปพบคุณบาศกตามป่าเนาะเขาเข้าวัดทุกวันมีทุกวันตามบันทัดตรวจตัวทุนจำตุนสักกตุนสักพอทุกส่วนแล้วเขาลูกนี้แต่หน้าเลยอืเพราว่าเขาไม่ใส่ใจอย่างนั้นสวดมากมันก็เลยมากสวด น, น้อยมันก็ได้น้อย นี้เขาพูดถึงการสวดไม่พูดถึงการปฏิบัติว่าพูดถึงการสวดเช่นนี้แต่งานนักศึกษาที่สึกษพระอรรรคที่มาจากเมืองนอกทั้งแรกมาถึงอาจารยาสมุทเขาก็มาวิจารวิจารณ์กันไปหลายหอย่างคเขาอาจจะไม่เกิดประโยชน์อะไรสวดมนเช่นนี้ก็เหมือนรองเพลงกันั่นแหละที่จะมีอะไรจริง อาจจะมาบาังคีนความเขาเหมืนกันถ้าสวด ม, มีความหมายกเหมือนร้องเพลงเล่นไปแค่นั้นแหละแต่มันมาย่ำเป็นข้อปัทตุมาย่ำขึ้นพ่นนอปฏิบัติตจะแน่นอนแค่เนี้ยจริงนั้นแหละเขาก็ดีใจเขาก็เห็นด้วยอืเขาเห็นด้วยสวดที่มีความหมายสวดเพราการปรัทตุสสวดเพราการปฏิบัติ สวดเพราะการที่แจงทางผิดทางสูกให้พู้สวดนั่นตั้งใจได้ยิ่งเป็นเครื่องปอะกอกันยิ่งกว่าสูต้การสู้การประพฤติในการปฏิบัติอันนี้เป็นต้นแค่นั้นการภาวนานั้นไม่ใช่การอย่างนี้เรื่องภาวนาแตแท้เราทั้งหลายคนนี่ว่านับตาภาวนาอย่างนี้ถ้าไม่ได้นั่งก็ไม่เรียนภาวนา บางคนเคยขึ้นบนขึ้นอัตมาว่าที่ฉันนั่งไม่ได้ภาวนาไม่ได้นั่งไม่ได้อืมอย่างนี้เป็นต้นนี่เพราะความเห็นของเขาว่าการภาวนาก็คือการมานั่งอคือการมานั่งนั่งทำงานที่สุดนั่งในดีที่สุดนี่การนั่งเป็นพื้นเดียวกับการภาวนาเป็นต้น ในความเป็นจิในนี้มันก็เข้าใจผิดไปสักขึ้งนึงเข้าใจถูกไปสักสักึ้งอนึ่งการภาวนานี้มีความหมายว่าภาวนาคือการจะทาให้เกิดขึ้นทำให้เกิดขึ้นทำให้มีขึ้นทานไม่มีภาวนาที่จะนาสิ่การให้ให้มนมีการให้ให้มันมีความเชื่อมีการให้ การให้มันมีบุญอย่างไรท่านจึงจิดจัดเป็นฐานะบารมีการให้นี่มีมีบุญบุญคืออะไรบุญก็คือความดีนั่นเองแหะบุญนั่นเคือว่าเราเดินไปตามทางที่ถี่มุจิมีไคเอาข้าวพอให้ก็ขอนอย่างทีจิตใจเราจะเป็นยังไงอนะใจเรามันก็ดีขึ้นใจเราก็สบายขึ้นนั่นแหละบุญแล้วนั่นแหละ นั่นบุญคือความดีนั่นเนี่ยบุญคือความถูกต้องนั่นแหละนี่แสดงว่าเป็นทานะบารมีการให้นี่แสดงว่ า, าเป็นบุญอันหนึ่งให้นึกถึงอ่ะเป็นอนุสติถึงทาน า, ารามีคือคุณธรรมบรรยวดจริงพระพุทธเจ้าทุกองทุกท่านทุกศาสนาจะต้องมีการหั่นเป็นเบื้องแรกอืเป็นคนใจบุญก่อน น, อน้อม บุญมันเกิดขึ้นกับคน ท, ทั้งสองคนคนรับพอสบายได้อาหารการอยู่การกินได้ผ้านุ่งห่มไปรักษาไปใช้มันก็นดีที่นั่งที่นอนไปไอ้คนที่ให้นี่ก็สบายใจแม่งเหมือนแตงโมของคนอื่น ม, มาจะให้ข้าวไปสักพอหนึ่งจ่ายกางเกงไปสักตัวนึ่่าอะไรไปสักชิ้นหนึ่งป็นตัวก็ดีใจ ดี ใ, ใจครอบคองของเรานี้เราจะให้เขาไปโดยดีไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายให้ไปแล้วแล้วสบายใจนึกไปแล้วเขาที่รักเขาก็จะเป็นคนสบายเราคนที่ให้ของเราไปเราก็สบายความสบายทั้งสองอย่างนี้จะพอ น, นึงไม่ดีถ้าเรามาทำขึ้นเดียวว่าการภาวานามันจะเกิดขึ้นความสบายมันจะเกิดขึ้นความสบายนั่นมันก็มีขึ้น ทั้งสองคนนี้นั่นเป็นเรียกว่าการกระทำบุญนี่จะว่าภาวนานี่กามันถูกอย่างนี้บุญมันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นเพราะเหตุผลอย่างนี้เป็นเรื่องดีกว่าเป็นบุญนนี่เดี๋ยวการพิจารนาการภาวนาการพิจารณาอย่างนี้ให้เรามีความถูกต้องอย่างนี้เป็นจรืเองดีกว่าบุญไม่ใช่ว่าบุญที่เราทําสนุกสนานกันแล้วมันเป็นบุญอย่างบุญกันทุกวันนี้ บุญฆ่ากันบุญแกงกันบุญแกงกันบุญยิงกันบุญทุบตีกันบุญอะไรต่ออะไรกันวุกวายที่ไหนมันจะถูกต้องที่ไหนมันจะเป็นบุญอะไรไม่ดีมันจะดีเกิดขึ้นได้ยังไงอะไรไม่ถูกมันจะเกิดความถูกต้องขึ้นอย่างไรนี้จะมันไม่เป็นบุญแต่การก้าทำกองโจรุกวันนี้การทำเชียนี่อย่างต่างกระทำบุญแต่ว่ามันไม่เป็นบุญ มันไม่มีความหมายในการกระทําบุญทําบุญทุกวันนี้มันกเปลียนอย่างนั้นฉะนั้นท่านจึงบอกว่าให้ภาวนาจะทําทานจะทํากุศลแก่ทาอะไรต่างๆก็ดีให้เราทางหลายภาวนาก็คือให้เราทางหลายพีดจินานั่นเองเรียกว่าการภาวนาการภาวนานั้นฉะนั้นจริงไม่ใช่แบบก า, านั่งอย่างเดียวการยืน ก็เป็นการภาวนาได้การเดินก็เป็นภาวนาได้การยืนการนั่งก็ภาวนาก็ได้การนอนก็ภาวนาไปไลยทุกปีญาบทการยืนตอดีการเดินก็ดีการนั่งตอดีการนอนกอดีเราจะพยายามทําความคิดเราให้ถูต้องในทุกิีญาบทนี้ เพราะฉะนั้นการภาวนานั่นมีใจว่าการนั่งดับตาอย่างเดียวการเดินตาก็ภาวนาการดับตาก็ภาวนาการนั่งก็ภาวนาการยืนก็ภาวนาการนอนก็ภาวนาภาวนาคือสร้างความคิดของเรามันให้มันถูกต้องไม่มเบียดเบียนตนไม่มเบียดเบียนคนอื่นทํา่อเกิดไปโยชน์การกระทําที่ถูกต้องการพูดที่ถูกต้อง การคิดอะไรอะไรที่มันถูกต้องความถูกต้องทั้งหมดนั่คือบุญแล้วนั่นเรียกว่ามันเป็นบุญบุญนี้เกิดจากการภาวนาทานก็นดีดีก็ดีแคต้องภาวนาสารพัดทุกอย่างมนุษย์เราสังหาหหางกินในโลกปุกวันนี้ถ้าขาดการพิจารณาแล้วเป็นต้นไม่ได้เสียหาย จะซื้อจะขายจะแรกจะเปลี่ยนจะทําอะไรทุกประการก็ต้องภาวนาก็ต้องพิจาอืาเราได้มาสานีิเราใช้เป็นสานิเราทําอย่างนี้ต่อไปเราทําอย่างนั้นแล้วจะมีโครงการเรียกว่าการภาวนาทางนั้นถ้าใารภาวนาถูกก็สบายประมาณ น, นั้นภาวนาถูกมันจะสงบมันก็สบายเรียกว่าการภาวนาเะนั้นการภาวนาทุกคนอ่า ถึงแม่จะอยู่ในบ้านหรืออยู่นอกวัดหรืออยู่ในวัดหรืออยู่ที่ไหนหนีไหนก็ตามเถอถ้าเรามีความเห็นอันถูกต้องมีความคิดอันถูกต้องในการพิจรารณานะมันหมดเป็นการภาวนาถ้าหากว่าเราสงสัยไม่รู้เรื่องเราก็เข้ามาวัดอย่างวันนี้มาฟังธรรมฟังธรรมกับครูบาอาจารย์อย่างน้อยวันนี้ก็คงรู้จักการภาวนา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 เราจะยึดเอาหลักของพระพุทธเจ้าของพระธรรมเจ้าของพระสังฆเจ้าเป็นตราที่พื้นที่ประพฤติ ข, ของเราทั้งหลายหากนี้ฉะนั้นพวกเราทั้งหลายจะไม่เป็นมนุษย์สมบูรณ์เป็นมนุษย์ที่ผิดผิดที่ประการผิดผิดเป็นมนุษย์ที่ฟุ่มเฟือยไม่สม่ำเสมอโดยสมบูรณ์ที่เป็นมนุษย์ เช่นยึดหักว่าพระพุทธเจ้าของเราให้นับถือต่อพุทธหนึ่งพระธรรมหนึ่งพระสงฆ์หนึ่งเป็นสักขีพึ้นของมนุษย์ทั้งหลายเมื่อเราที่มาในพิจรารณาไม่รู้บางทีก็ไปพบอย่างอตะมาว่ามาที่เป็นจอมปวกก็ไปไหว้ต้นไม้ใหญ่ๆก็ไปไหว้ที่ไหนห้องเหนียวที่หนา ม, มันเสาะมันรึกแมันี้น่ากลัวก็ไปไหว้ อะไรที่ไหนที่ไหนไอยเท่านั้นไอ้พวกเราทั้งหลายแต่มันกลัวเพราะความไม่รู้เรื่องของมันอันนี้ท่านอาตมาได้ยินเสียงท่านเจ้าคุณพุทธทาสคเทศในฟังทางอากาศท่านว่าสมัยก่อนัท่า น, นเป็นเด็กท่านกลัวผีหรือกระตุนกลัวผีตอนเช้าก็นำน้ำโคไปเรี้ยงนำควายออกไปเรียงกลั ว, ต, วตอนเย็นก็กลับมา ที่กลับมานี่ยมันผ่านประชานมานะไอ้ท่านอาจารย์เจ้คุณพุทธทาสจันรก็กลัวแต่ก็ขึ้นอยู่บนหลังควายนั่นแหละควายก็กินหญ้ามันก็ใช่ตะคุณพุทธทาสก็กลัวอยู่บนหลังควายแต่ก็คิดไปคิดมาอะไรควายเนี่ยมันดีกว่าเราเลยมั้งมันไม่กลัวผีเนี่ยมันกินหญ้าสบายสบายอยู่เรายาวบนหลังควายจะไม่รู้เรื่อง นึกว่าเราเป็นมนุษย์ขึ้นวนหนังควายก็ได้เรายิงตัวผีตัวโน่นตัว น, น, วนี่มีความหวานมีความกระทุ้นตลอดเวลาท่านบอกคิดไปคิดมาคิดไปคิดมาไอ้ความกลัวนี่เพราะมันเกิดจากความคิดว่าตรงนี้มันจะเป็นอย่างนั้นตรงนั้นมันจะเป็นอย่างนี้ถ้ามาพูดที่ถึงควาแล้วแต่เออไอ้ควายนี่มันดีกว่าเราเะ้ยมันชิ้นชาสบายมันไม่มีอะไรจะ จะเป็นอะไรมันกินหญ้าสบายแต่เราเป็นมนุษย์ขึ้นอยู่บนน้ำควายครัวตัวสัน่นเอออันนี้เราจะเป็นมนุษย์ได้อย่างไงเนี่ย ม, มันจะดีกว่าควายอยังไงเนี่ยมันงู้กว่าควายนี่เนี่ ย, ยคิดไปคิดมาแเรววาละอายตัวเองละอายลายควายท่านคิดไปอย่างนี้คิดไปคิดมาเปรียบเทียบมาไปคิดมาเจนเออเราขึ้นบนหลังควายก็ได้หักไใบแศมาเขี่ยนควายก็ได้ อะไรก็ได้แต่รูกคุณเราผีแต่ควายมันเฉยมันจะมาลูกไม่มีผีอันนี้อันนี้มนนึกอภิใจลอยนี่ไม่รู้เรื่องท่านก็เห็นว่าผีมันเกิดที่ไหนผีมันเกิดที่จีนกมเกที่จีนกลัวตอนนั้นแหละแต่บัดนั้นมาท่านจะมีความคิดเออมันเป็นอย่างนี้เองนี่คือท่านพิจารณาพอเห็นเช่นนั้นฉันก็นึกได้ที่จะเอาเป็นรูปเรียบเลยเอามาภาวนาเลย อันนั้นคือค น, ญญคนที่มีปัญญาคนที่มีปัญญาคนที่มีปัญญามันก็เห็นง่ายเช่นว่าคนเนี่ยมันทุกข์คนมันทุกข์มันทุกข์ ท, ที่เนี่ยเข้าวัดบางคนก็เข้าใจว่าถ้าอิจฉาสบายร่ํารวยแล้วไปแกเข้าวัดเป็นสุขเป็นสุขแล้แกเข้าวัด บมดภาระหมดหมดนี้หมดสินเก็ะจะเข้าวัดไ <c oughs> อ้คนตายเอาเข้าวัดเอาไปเผาเท่านั้นแหละไอ้คนตายไอ้ว่าพระพุทธเจ้าแต่หมดกิเลสแต่จะเข้ามาวัดหนึ่งท่านท่านหมดห่วงนึกแต่เป็นอย่างไหญ่จะมาแาโย้ถ้ามันมีไม่มีห่วงแล้วจะมาวัดทำไมถ้าไม่มีทุกข์เลยจะเข้ามาวัดทำไมหมดภาระเลยจะเข้ามาวัดทำไม ไม่มีปัญหาจะเข้ามาวัดสมัยไม่ต้องขม้าหรอกไอ้ตู้ตีใบเขาโชว์อยู่ที่ตลาดวรินนะี่ยตลาดาืองกุบลเนนะี่ยเขาทำเสร็จแล้วราคาถ้าแล้เขาโชว์ไปขายได้นะี่ยเขาจะเอาหวนไปทาอีกไหมเอาปลอกไปสายอีกไหมเอาเรื่อยไปตาดอันอีกไหมแคก็ไม่มีจะเอาหัวไปทาทีา่ตีตดเอเรื่อยไปตาดค้อสู้นะันมันเสร็จแล้ว ไม่มีที่ทำแล้วก็โชว์วเฉยๆแค่นั้นแหละอันนั้นกหะือนกันกันนั่นถ้าโยมไม่มีมีทิ้นถาโยมไม่มีความไม่มีอะไรที่จะพัวฟันไม่มีควา ม, มอนยากมีความกลุกสบายทุกประการแล้วโยมจะเข้ามาวัดทาไมเข้ามาเพื่ออะไรโยมก็ไม่ต้องเข้ามาแค่นั้นแหละโยมไม่ต้องเข้ามามาทำไมไม่ในเรื่องที่จะทา เหมือนบางคนที่ทานอาหารอิ่แล้วจะกับสมาทานอีกสมไยงานนี่ก็ททำเสร็จแล้วจะมาทำอีกสมัยที่นี้มันสาดแล้วจะมาทําให้มันสะอาดอีกยังไงได้โยมไม่คิดอย่างนั้นนีโยมก็คิดว่าฉันไม่งนีภาระฉันไม่มีทุระฉันไม่มีปัญหาฉันจะเข้าบวัดในวัด เมื่อใดเรามีปัญหาเราต้องนี้แกรปัญหาไปเรื่รยรยอยๆคู่นี้มีปัญหาก็าต้องพยายามแก้ปัญหาตัวนี้มีปัญหาก็พยายามแก้ปัญหาเรื่อยๆเพราะว่าอจะมาเคยตั้งแตเด็กนึกว่าถ้าคนรวยคนสบายแล้วก็วางใจเข้นเคยแลย้วก็เป็นสวาสดิ์ในที่ อาตมาจะยังเห็นไอ้คนสมัจจักาทไม่รู้จัก่าทแต่มาพกกมาาอบอาตมาก็คนัำบุญว่าเลือดใสมากกป่ามาเข้าจังเข้าใจจักบาจับคมากขึก้าานใจรมตรงนี้รู้จับค น, บคนใจร่จตรงนี้รูอ้อาตมาก็นั่งดูโอ้โหมันจําตันเนะอันนี้ขนาดไอ้คนก็ไม่ ม, มาไอ้ ก็่ไ้ับจับต่างมาเนื่องจากคนโยมและโยมพาวัตภาระถ้าใสไปที่นั่นนะใส่ตรงนั้นแส่ตรงนั้นใส่ตรงนั้นใส่ที่นี่วันละคนตาบอดเลยจะมาจะมานั่งพิจารณะตรอันนี้มันคิดอะไรต้งนะอันมีอะไรนะดูว่มันขวางอยู่รวยมันขวางอยู่ความสุขมันขวางอยู่ ความเพลินมันขวังอยู่อะไรมันหวัง ม, มันติดอยู่ตรงนั้นไงไม่ใช่ไหนความจนมความจนมันหวังทุกคนจะรวยจะจนอะไรก็ขั้งมันเถอะถ้าคนมีปัญญาแล้วน่นะไม่เคยเห็นว่าวันนี้วันนี้กับมวานนี้เนี่ยมันเหมือนกันหรือเปล่าเราเกิดมาเนี่ยวันนี้กับมวานนี้มันคนเดียวกันหรือเปล่า นี่มันคนละคนไหมอีกวันนี้ไปถึงช่วงนี้อีกแล้วมันจะเป็นคนคนเดียวกันหรือเปล่าไม่คิดมันไม่เปลี่ยนนี้จะเป็นนายคนจะเป็นนายพันจะเป็นคนร่ําคนรวยเป็นเมกะเจ้าตัวมันก็จะเปลียนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไปอย่างเนี้ยมันไม่ได้เว้นนะชีวิตจากทั้งหลายมาลดทังหลายถูเหมือนกันอย่างนั้นมันจะแก่มันจะเจ็บมันจะตายนไปแค่นั้นแหละ พระพุทธเจ้าต้องจึงสอนตระยะประมาทเลยอย่าเห็นประมาทอย่าประมาทมียศ อ, อย่า ล, ลาืมยศมีราภอย่าหลงในรากมีสังเวยอย่าหลงในสังเวยมันจะมีอะไรก็ให้มันมีเยอะในโลกีิเศษอย่าเมามันนะอย่าเมาแ้ามันให้เมามันจะรวยก็ให้มันด้วยแต่มันจะรวยได้ มันจะจนเอาไว้ไม่ได้มันจะจนก็ให้มันจนไปอย่าไปเมามันมีจนก็อย่าเมาจนมีรวยก็อย่าเมารวยวันมีทุกข์ก็อย่าเมาทุกข์วันมีสุขก็อย่าเมาสุขวันมีหนุ่มก็อย่าเมาหนุ่มวันมีแก่ก็อย่าเมาแก่อย่าไปเมามันเลยแคจะไปเห็นว่าคนธรรมดานี่คนธรรมดาทุกคนธรรมดาตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมา ท่านไหนถือโน้่านไหนถือตัวมันเหมือนกันทุกคนอย่างส่วนรวมที่น้อยอยู่ในเลาเนี่ยแจะแต่ตัวจะมาลงไปหายาติโยมไหมไม่ใช่ว่ามันอันเดียวกันมันไม่ใช่คนในอย่างมันคือคนคนเดียวกันมันเหมือนกันเหมือนกันอย่างไรมันเกิดขึ้นมาตรเหมือนกันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็แปรไปความแปรไปเปลี่ยนไปมันก็เหมือนกัน เหตุผลที่สุดมันกระดับไปมันก็เหมือนกันที่ไหนมันเลูล อ, อะไรไหมมีอะไรเหลือไหมไอ้กองท้อมันเหลือไหมไอ้วามกราดมันเหลือไหมมันเหลืออะไรไปไหมในโลกนี้ทําไมที่พระพุทธเจ้าจะสอนว่าอันนี้ก็ไม่ใช่ตัวเรานะอันนั้นก็ไม่ใช่ของเรานะบางทีโสดเลยนะบางทีโสดไอ้คนจะมาดูเนีด่นดูตัวนะ มีความร่ำมีความรวยมีควา ม, า ม, วามาอะไรต่อเดโกรธช่วยนะโกรธช่วยนึกียอย่างเงี้ยไม่น่าขวามมัญนะนอกอนอด้บบนานใจตัวตัวเท่าแบนยีนาโยกับคนที่เกิดมาตายนะไม่แน่นะตายยิ่งปปรุ่งกไปใหญ่เลยฉันไม่ฟังไม่ได้หรอกเอาคำนี่อภิใจอะไรมาพูดกันจะได้ีอ่อไอ้มันเกิดมันตายจะไปว่ามันอะไรยิงรง่งกลัวมันยิ่งจะมาอยากแม่ฟังมันเลยยิ่งเอามาพูดด้วย ไปกันแค่อย่างนี้คือคนมันไกลทํำยิ่งไกมันจะคนแก่มันแก่ไปเท่าไรมันก็ยิ่งไกลหนุ่มไปเท่านั้นแหละไม่ใช่คามันหนุ่มหรอกมันไกลจากความหนุ่นไปแต่มันใกล้ความตายเรื่อยไปอีกลนะไม่ใช่มันจะไปที่ไหนไอ้ตัวเราก็เหมือนกันทุกๆคนนั่นแหละพลาเราวิเคถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าของเราแล้วนะเราจะพิจัยความกังวลความยึดมั่นถือมันหลอกไปได้ อย่างคนในวนัดนี้ในฉรานี้ถ้าเห็นฉันดีดีก็เธอเธอนั่นโง่กว่าฉนฉันฉลาวกว่าเธอเธอไม่เหมือนฉันอะไรอะไรอ่ะมันก็ดุงกันดอนจะพูดอะไรก็ตุกเที่งกันจะพูดอะไรก็มองกันจะหยิบอะไรก็มองกันมองกันไปเช่นั้นเนี่ยเพราะอะไรเพราะมันอ้างฉลาดกันมันอ้างโง่กันอ้างความร่ํำรวยกันอ้างความจนกันอ้างความสุขกัน ว่าความฟุ้งตันเพราะความเห็นจิตของเรานี่เองฉะนั้นพระพุทธเจ้าแต่เช่นเนปภาวนาคนเรามันเหมือนกันเป็นญากคือควเกิดเป็นญาติคือควแก่เป็นญากคือควเจ็บเป็นญาติคือค ว, าา ต, ควาตายจะมังม่งเสมอกันทั้งนั้นเมื่อคนเรามีจิตใจองคู่ธรรมะเช่นนี้แล้วมันจะไปที่ไหนล่ะมันจะไปที่ไหน มันเป็นสมางเสมอธนาเละในเวลานั้นก็จ้ามีใครเกิดแล้วนี่เกิดแล้วทํำมันก็จะมีใจ ม, ใมีแล้วถ้าเราคิดถึงจิตมันก็จะมีใจท่านก็โกรธเดีย ว, วนี่แหละท่านก็โกรธเดียวนี่แหละโตดเดียวนี่แหละมีดด แ, ละแล้วแต่แแมนุษย์ทั้งหลายไม่คิดอย่างนั้นไปยึดมั่นถือมั่นในบางสิ่งบางอย่างที่จะพดทุกข์เตัตวเจของในรูเรื่อง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 แต่อายุพอสมควรแล้วก็พอนพักก็พ อ, อนพักไปเถอะอยากจะกทุกขจะตายไปจนถึงวันตายไม่ถูเรื่องอะไรคนเนี่อายุเก้าตัวห้าสิบกว่าหกสิบแต่มันหลงนะโยบทุกคนจนําไปเถอะมันจะหลงอันจะมาก็เก้าตนะัวหกสิบแล้วมันจะชวนหลงหลายเรื่องมันชวนจะหลงแล้วล่ะอืมบางทีทเทียกเรียนคอโยนตัวอุจจรินข อ, นอบางทีจะเรียกพักคอโดนไปใส่พักค อ, อนอ มันจะเป็นอะ้รล่ะมันจะตุกอันตรามอะไรล่ะมันก เ, นเลลนนกษียนแล้วน่ะในรัชกาลภัณงนอกหกสิบเอ็ดปีเขาเกษียนแล้วแต่ในด้านธรร ม, มกกะก็เกษียณเหมือนกันแต่กเกษียนเงียบเงียบแต่ชิดเงียบเงียบกเกษียณแล้วดูมันคือเอานี่ยไปเอาโน้นเอาโน้นไปที่นี่จะไปเพรา็ว่ามาจะมาก็ว่าไปเอาไปเอามาไม่ทันทันไม่พิจารณา แต่มาการีมีความเฉลาดมากเฉลาดในกวางโง่แล้วนะเลยจะยุ่อยู่กับ้านกับช่องหกเขียนกระดูกกระหลานรุูปวายกันอยู่อย่างนั้นและไม่รู้เรื่องเลยถือมั่งถือรั่งถือถังอยู่อย่างนั้นเนี่ยไอ้ความยุ่ ง, ง ม, มันก็นยิ่เกิดขึ้นมามันจยจางนี้อาจจะมาใส่เส้นร้ายแห่งเพเราเป็นพ่อไงเขามีเกิดกอนเขาเรี่ยงเขามามีความเฉลาดมากความเฉลาดมากเรียกเนิ่นๆ ม, ม, มากกว่า ไอ้ความฉลาดแล้วมันแก่แล้วมันโง่นะที่ใช่ว่ามันฉลาดแต่นนะมันโง่นะไอ้ความฉลาดนี่ที่ยังเป็นอันนานมันโง่อเขียงเกงไม่ยอมรับความผิดอะไรต่ออะไรวุ่นวายกระตุ้เสียงกระรูปกรลาดรู่นร้านก็มีปัญญาดีหัวเขากาลังใสเขาละเอียดพูดเขาหนนี้ไปไอยายกระตามันก็ยิ่งชนะใหญ่เถือว่าเราเป็นต่อเป็แม่มันจะ้ะเด็กจะพูดอะไรได้ไอ้ความ่ยิง ไอ้มันถูกความเขาอยู่โกเสียงเอาเอาชนะเ่านี่อันนี้ไม่ใช่ธรรมะแต่รู้นะเราหลงแล้วนาใครรู้จักว่าสัมผัสนี่กเกษียณแล้วนาตาเราเหมือนไหมละม่ะหัวเราเหมือนเต่าไเมาร่างกาเหมือนเต่าไหมกําลังมันเหมือนไหมไอความจํามันเหมือนไหมอะไรมันเหมือนเมื่อไหร่ไม่รู้แล้วจะให้ใครมาโกเสียงเราแล้วพระพุทธเจ้าสังเกตสอนปัญาประมาทนะ อปมาโตมาติโลมาทางคนประมาทแล้วเหมัอนคนตายนะอย่าประมาทนี่ฉะนั้นอจะมาเห็นว่าเอาขอ่พัดถอนมันจะว่างแต่นี้ไอ้ความฉลาดนี้ก็มันใช้ได้แต่ระบุประสาทมันยังดีนะถ้าระบบประสาทมันเสียหายแล้วไม่ได้เราดึงไปกันใหญ่ที่ น, นั่นมันเป็นเช่นนั้นแต่ท่านวางแข่งจนได้หรือว่ารถไปไม่ไหว พอมีอานาจแม่มีอํานาจมีอํานาจเสียงไม่ได้ลูกชายลูกสาวลูกสบายลูกเผยเขามีปัญญานะต้องค่อยปก ร, รอกต้องแม่ไปอยู่วัดก็เถอนาะนพ่อไปจำวัดก็เถอเขาลรอไปอยู่ยวัดเขากี่บจียดความบ่นทุกวันทุกวันนะจะไปปูกติให้อยู่ในวัดให้ไปอยู่วัดเขาซาส่งเสียให้สบายดีกว่า วันี้ก่จะมาพบจูจี้จูจีจ้จจจคืนั้นเนี่ยให้พระสอนนีอย่างนั้นอย่างนั้นสอนตายายไปยังไงรู้เรื่องนะไม่รู้เรื่องว่าเ้าเอาเราไปทําไมเข้าใจว่าเขาเอาไปเราไปในวัดในวาร์ไปําบุญจาทานก็ไปยุ่งกับเขาก็าไปทั้นั้นแหละเอาก็ไปหาลูกตาที่วัดกันอย่างนี้ก็มีนะให้ระวังดีๆแก่แล้วมันไมรู้เรื่องมันกับเปนเด็กอีกหน่ะฮะไม่รู้หมาแก่แล้ว แก่แล้วมักลับเนเด็กมอนต้นม่วงอ่ะเมื่อมันแก่มาแล้วมันก็สุกสุกแล้วมันกโดลงมาขี้ดินดินเม็มันก็ห่อกเป็นต้นเล็กๆเป็นต้น่วงเล็กๆต้นใหม่ๆเห็นไหมอ่ะนี่มันจก็บ้นใหม่แล้วไอ้คนแก่ๆเรามมติทำนั่นไงทำมันแก่ทงที่แก่ติดเ้าติีไตกใเร่อกันนัตนแงนะนะเยี่ยวก็ไมู่เรื่องที่ก็ไม่รู้เรื่อง ยิจะไม่รู้เรื่องเป็นเด็กอีกแล้วเออถ้าคนแก่เป็นเด็กมันลำบากคนเด็กๆมันเป็นเด็กนะเนี่ยเยี่ยวมันก็เห็นตัวเก่านะขี้มันก็เห็นตัวเก่านะอะไรมันเห็นตัวเก่าอย่านั้นนะเด็กแก่ต้นแก่มันเป็นเด็กไม่ใช่เด็กเด็กมันเป็นเด็กมันเป็นชั่วหน่อยเนี่ยไปก็อยากพูดนไปก็อยากผอมไปก็อยากล่างนะมันเป็นแค่อย่างนี้ฉะนั้นเมื่อหากเราภาวนาแล้วนะมันจะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ มันแก้ปัญหาทั้งหลายเร้ได้เป็นคนเรียงง่ายเป็นคนว่า ง, ง่ายเป็นคนไม่ลืมตัวเป็นคนมีสติเป็นคนมีสติ ป, นนปตัญญะไม่สร้างกรรมไม่สร้างเวรกาโทนกาผู้ อ, อื่นการูกกาหลานนี่เรียกว่าความสุขใจสบายใจอย่างนี้ี่เรียก ว, ว่วรารอบภาวนาไม่ใช่แบบภาวนาจนไ้นั่งนับตาภาวนา วางพลออกมาวัดทุกวันแต่วันนั่งนั่รักาภาวนาถัาไปวัดจะทิ้งหมดถ้าไปวัดจะทุ่มหมดทิ้งหมดแต่รอบกับูกแต่รอบกับหัวแต่อบกับใครจะใครวุ่นเขาก็ใจว่างเวลานั่งเขาออกจากการภาวนาแล้วเราะภาวนาก็ว่านั่งรักษาอขาบุญเมื่อออกไปแล้วบุญไม่ไปด้วย เอาจะบาปไปก็มีไม่อดไม่กั้นไม่ประพฤธตธิทำไม่ปฏิบรรัติทำอะไรก็อะไรไไหลายอย่างใคนความจริงๆการประพฤติการปฏิบัติการภาวนานี้นะเมื่ออะไรก็ตามมันจะจะอยู่นอกวัดก็ตามอยู่ในวัดก็ตามเหมือนกับเราประเรียนหนังสือในโรงเรียนที่ดีๆเมื่อเราเรียนหนังสือในโรงเรียนที่ดีๆแล้วเราเรียนหนังสืออ่านหนังสือได้ในโรงเรียนนะแล้จะไปอ่านที่ว่าก็ได้ จะอ่านที่ไหนก็ได้จะอ่านในทุ่งก็ได้จะอ่านอยู่ในป่าก็ได้จะอ่านอยู่ในชุมชนก็ได้อ่านอยู่คนเดียวก็ได้จะมาอ่านที่โรงเรียนก็ได้อ่านที่ไหนก็ได้ถ้าเราเข้าใจดีแล้วไม่ใช่ว่าก็จะอ่านหนังสือจะวิ่งมาโรงเรียนเพื่มาอ่านสีได้หลับเคลืหมายเราจะวิ่งมาอ่านอยู่โรงเรียนที่จะอ่านได้ไม่ใช่อย่างนั้นการภาวนานี่ยก็เหมือนกันเหมนนั้นเมื่อเรามีปัญญาเราจะไปในทุ่งกว่านี้ นะตอนปลาก็ดีอยู่ในคนจํานวนมากก็ดีอยู่ในคนจํานวนไม้ม ก, ก็ดีจะปลูกยิ้มคาก็ดีจะสูตรสันต์เสน่หก็ดีเป็นต้นจะมีความรอบรู้สม่ำเสมออยู่นั่นแหละเนี่ว่าคนที่ภาวนาก็นเ่อย่างนั้นมันรู้เข้าอารมณ์ทั้งลายทั้งสวงเหล่านั้นเช่นนี้ก็คืกว่าเราก็สบายแน่การพันอารมณ์จะปลอยตาปล่อยหูปล่อยจมูกปล่อยยิ้นปล่อยกายปล่อยใจคนเราได้นี่จะวอกคนภาวนาเป็น มีอารมณ์เป็นนันเดียวอารมณ์อันเดียวคืออะไรไม่เอาเรื่องกับใครนี่ไม่เอาเรื่องกับใครเรี่องกับอารมณ์อันเดียวมันเปลี่ยนจากอารมณ์อันเดียวก็สมถะกรรมฐานสมถะกรรมฐานอารมณ์อันเดียวคือโภนาโภโทโภโทโภโทโภโทอันเดีมันน้อยไปมันน้อยไปถรามันาดจากโภโทมันไปที่ไหนก็ได้อารมณ์อันเดียวคือเอารมีปัสนานั่นแหละ ไม่มีชั่วไม่มีดีมีดีมีชั่วแต่จิตของเราอยู่เหนือชั่วเหนือดีทั้งนั้นฉะนั้นเป็นอารมณ์อะไอย่างนี้ก่อยมันจริงไปเรื่องอนนีจังทุกขังและตายหมดจังสิ้นอย่างนี้นี่การก่อยวางทังหมดนั้นเรียกว่าการภาวนาที่ถูกต้องจะยืนก็เป็นคนภาวนาจะเดินก็เป็นพลภาวนาจะนั่งก็เป็นคนภาวนาจะนอนก็เป็นภาวนาเราจะรู้ไหมว่าเราจะตายเวลาไหน มันจะตายเมื่อเรานั่งรักกาหรือเปล่าตอนี้เนาะไอ้จิตเดกมันจะขเข้ามาแต่เรานั่งรักกาดนียใครเคตรวจไม่มาเดินอยู่เคยตรวจไหมมันจะนอนอยู่เคยตรวจไหมมาเดินไปเคยตรวจไหมถ้มันตรวจจึงเมื่อเรานั่งรักกามันเมาเนี่ยนะอย่างนั้นถ้ามันเป็นเนนี้เราจะไปอาศัยเี็ไปเรานั่งรักกาแล้วจะภาวนาอะไรยังไงนี่ภาวนาก็แค่ว า, า, ารุตรวจถึงรู้รอบขอบนั่นเองเ็ ท่านเรียกว่าเป็นผู้มีสติความระลึกได้เป็นผู้มีสัจจ ะ, ะความรู้ตัวเป็นผู้มีปัญญาความรอบครอบในการเดินการเลือนอการนั่งการนอนสามารถจะมองเห็นความบกพร่องสมบูรณ์มรรคลด้านจิตใจของอยู่ทุกเวลานั่นเรียกว่าคนภาวนาเมื่อเรารู้อยู่เสมอเช่นนั้นก็ไม่มีอะไรจะมากระทบกระทั่งเรา มีแรงตึงกันเรื่องจิตใจอยู่สบายมีใจราบรื่นสม่ำเสมออยู่อย่างนั้นไงนั่นเรียกว่าจิตเป็นสุคติให้ญาติโยมต่างหลายนําไปพินิตฐ์นำไปพิจารณาไปภาวนามันถูกต้องตามความหมายขององค์ทุกข์เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพีนี่ใจสบกายของเรานี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากที่สุดคนเราก็บ่นว่ากายมันเอ้ยอใจมันยุ่งใจไม่สบาย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 ถ้าเราใจอย่างนี้แบงมันดอกใช่ไหมยอมันไปโทษใจใจกันทุกคนทุกคนใจมันจะมีอะไรใจมันสบายอยู่แล้วเหมือ น, น ก, กับใบไม้ในป่าเนี่ยอืทําธรรมดาใบไม้ปกติมันอยู่นน่้ไม่มีอะไรที่มันกวนแปวงไปมาเพราะ อ, อะไเพรารลมมากลมเข้าใจไหมเออมีให้เขาใจได้ที่นี้ เราจะไปให้โทษปใัใจัยี่ไม่ใช่อืออไม่ใช่ที่ใบไม้มันจะกวาดแป่งไปมาน่ะเพราะพ่ะอหะรือพ่รมมากรูมันถ้ารมไม่รกรวมันใบไม้ก็นิ่งเป็นปกติใจเราสมันรใเป็นของสงบอยู่แล้วเป็นของสะอาดอยู่แล้วใจเรื่อ ง, องเพราวามันเป็นอย่างนั้นที่มันกวาดแป่งไปมานี่คือมันใจใหม่ใจพร้อมอืมใจพร้อมมันถูกกัรหา ทักโยมไปมาตลอดเวลาเนี่ยก็มีสุขบ้างเนี่ยก็มีทุกข์บ้างเนี่ยก็อย่างนู้นเนี่ยก็อย่างนี้บ้างทําให้เราวุ่นวายอันนี้ไม่ใช่ใจจําไว้ถ้ามันวุ่นขึ้นมาเมื่อไรคอยใจไปหลวงพ่อสิอันนี้ไม่ใช่ใ จ, จถ้าใจไม่มีอะไรเป็นของบริสุทธิ์เป็นของสะอาดเป็นปกติอันนี้ใจปลอมใจไม่ได้ฝึกอืมใจไม่ได้ฝึกอันนี้ให้ให้เอาไปคิด เราต้องการจะรู้จักสัดส่วนของการปฏิบัติเดี๋ยวจะไปคุมจะอย่างอื่นไปคุมจิตใจของเราใจนี่มันไม่มีอะไรมันเป็นปกติถ้าเราปฏิบัติเนี่ยก็ค้นหาเรื่องปกติคือใจเดิมของเราเนี่ยถ้าเห็นจิตเดิมใจเดิมของเราแล้วเป็นต้นไม่มีอะไรวุ่นวายเหมือนใบไม้ในป่าค้นไปถึงปกติมันได้ไม่กปลี่ยนไม่มีอะไรจะกปลี่ยนเพราะลมอิสูกมันนี่มันเป็นเพราะอารมณ์ ไม่สบายไม่ใจใจมันทุกข์ไม่ใจใจกิเลสอย่างอื่นมันเปลี่ยนหน้าสมาเชิญยมก็วิ่งตามมันอย่างนั้นบางคนก็น่าสงสารจนคิดว่าไม่มีโอกาสที่จะปฏิบัติเพราะใจมันยุ่งอืบางคนไปเข้าใจใส่อย่างนี้ไม่ใช่ใจเรามันไม่ยุ่งถ้าใจจริงไม่ยุ่งที่มันยุ่งก็เพราะกิเลส ท, ทั้งหลายแถวนั้น ฉะนั้นขอสายประชชนทั้งหลายนี่จงนำคำนี้ไปพิจารณาการประพฤติปฏิบัติหนึ่งตั้งต้นออกจากใจของเราไม่ตั้งต้นออกจากภายนอกมาหาภายในตั้งต้นเริ่มจากใจของเราออกไป อ, อันนี้ที่เป็นปกตินี่ถ้ามันถึงที่มันถึงปกติมันจะไม่ไปมีอะไรเหมือนใบไม้ไม่มีรมมากระโกมันมันจะไม่ปกติมันจะเป็นปกติอยู่ อ, อย่างนั้นอืม ฉะนั้นวันนี้ให้การบ้านของญาติโยมทั้งหลายเอาไปเป็นการบ้านอยิ่งไม่ขออธิบายนานอธิบายนานไม่ได้สลาแล้ว น, นี้มันง่วงนอนมันเย็น <c oughs> ม, มันจะง่วงนอนอันนี้ให้โอห้โอวาทของญาติโยมทั้งหลายกี่มาในคราวนี้ทุกคนแต่สถานที่นี้สถานที่ภาวนากันญาติโยมเดี๋ที่มันยุ่งยากสลำบาก นานๆเรมาเยี่ยมใ้่มาถืออมามาทดงสักอียครั้งก็ได้มาพักอยู่นี่ก็ได้เฉ่เฉียวก็กลับบ้านถ่ายทอดบรรยากาศดีมากเปลี่ยนเสนาสนะเปลี่ยนความรู้สึกนึกคิดมาเป็นที่บงเพยนทางใจเหมือนองค์สมบิตรสมาสัมพุทธเจ้าของเราสอนไว้ทุกคนเริ่มต้นจากใจการประพฤติปฏิบัติตามบัญญัติก็เดาให้ตั้ง ให้ตั้งสินหา้าไว้ในใจให้มีสินหา้าถ้าสินหา้ายังไ ม, ม่สมบูรณ์ยังเป็นคนไม่ครบนะเป็นคนไม่เตียมคนนมั้ยถ้าเป็นลูปก็เหมือนคนบาบาบอตามถนนเห็นไหมไม่ไมึงมไ ม, ไม่เป็นปกติคือคนไม่เตียมคนคือคนไม่พอแต่เราฟังแล้วก็ไม่เข้าใจ ถ้าเห็นเราเดินไปแค่มีคนถามว่าไอ้นั่นน่ะหนเหมือนคนไม่พอเ น, นี่ยน่ะเราก็โกรธนะไอ้คนไม่จริงมันคนไม่พอถ้าเรามันพอคนกันทุกคนน่นจะสบายมากที่สุดอันนี้ให้เริ่มจากขีนห้าเป็นที่พึ่งของเราก็คือคุณประพุทธพระธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งของเราเสนาหังนี้ไม่ใช่เป็นที่พึ่งเป็นที่อาศัยโกล่าวที่พึ่งของเราคือใจที่ชอบเห็นชอบนั้น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 ใจเราถ้าบริสุทธิ์แล้วอะไรมาอาศัยไม่ได้ของกลอมาอาศัยไม่ได้มิจฉาทิพย์มาอาศัยไม่ได้เป็นที่พึ่งของเราอย่างแน่นอนอันนั่นคือที่พึ่งของเราฉะนั้นขออย่าจนทั้งหลายจงสร้างตนออกจากใจมีสินห้าประจําจึงจะเป็นคนพอคนถ้าขาดขาดจากสินหา้าเรคนไม่คอคนถ้าแล้น อ, นอันนี้ให้ไปดูเอาในใจของเจ้าของอะไรมันไม่ค่อยเคลียออ ก, กค่อยๆเคลียออ กลัวคนจะเห็นก็ออกไปเคลียคนเดียวไปได้นะเคลียออกให้มันโมให้มันหมดนะให้มันถึงใบไม้ที่ลมมันโกรกให้มันถึงจิตที่บริสุทธิ์แล้วนั่น น, ะน่ันแหละตรงนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าของเราเป็นทางที่จะพ้นทุกข์อันนี้วันนี้ขอให้โอกาสเท่านี้ให้โอวาทเท่านี้มีแต่นัขอญาติโยมทุกๆคนจ้องตั้งอยู่ในสีรธรรมทุกๆ ท, ท, ท่านวันคืนร่วงไปร่วมไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่นี่ พระพุทธเจ้าว่าให้เรานั้นเก็บแล้วนีนนน่ไม่ใช่เก็บไม่ใช่ไม่เก็บแล้วนีน่วันคืนร่วงไปร่วงไปบัดนี้เราทําอะไรอยู่ท่านกระแทกอย่างนี้เราก็เช่นะไม่รู้สึกเจ้าของวันคืนร่วงไปร่วงไปมันไม่รอท่าทำอะไรกันอยู่เนี่ยอจะไปยังไงมาจังจีอย่างไงท่านถามแต่คนธรรมดาฟังก่อนชยไม่รู้เรื่อง น, น, นี่ถ้าคนมีนิสยัยโอ้ยตื่นพึุบเลย เออวันที่เราทำอะไรอยู่เรามีอะไรไหมเรามีทุกไหมเรามีสุขไหมมันมีพ่ออะไรไหมยอยู่ในตัวของเรามีอะไรจะเพิ่มมันไหมมีอะไรจะต่อเติมมันไหมยอย่างนี้ต้องคิดอย่างนี้อย่างนั้นจัด ก, การประพฤติปฏิบัติเอาในใจของเจ้าของเรื่อยไปคราวนี้ขอให้ญาติโยมทางด้ายจันทร์ทีกท่านความเย็นเย็นเป็ น, นสุขจงัุ่งระลึกในธรรมะต้ององค์สมเด็จตัตถะมาจัมปุกุจเจ้าตลอกาลนานเกิน No, no, no, no. no.